<c oughs> วันนี้ดีใจมากวันนี้ได้มาพบท่านศาสนา <c oughs> พศาสนาจังหวัดท่านมา <c oughs> ชี้แนวทางบอกพวกเรา <c oughs> ให้พวกเรารู้จัก <c oughs> ลืมหูลืมตาดูศีลดูธรรมบ้าง <c oughs> <c oughs> <c oughs> สองแสนกว่ากับ ยังไม่ถึงรอยเลยคิดดูสิมันเป่นไปได้ยังไงพวกเราทำไมนอกบัญชีมากมายถึงขนาดนั้นนะหรือพวกเราเป็นกันเองที่เขาเรียกว่าเป็นเอง <c oughs> เปลี่ยนเองแล้ว <c oughs> ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าระบระบระเบียบอย่างนั้น แทนที่ยิงดอดรเราชาวดอดรเราเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ผู้หลังผู้ใหญ่ <c oughs> คนที่ตั้งใจถือเป็นนิจจะศีลมีนะมีมีเยอะคนที่ตั้งใจศีลตั้งใจถือเป็นนิจจะศีลศีลห้าเนี่ยผู้ที่จะตั้งใจถือศีลห้า ท่านศึกษาดีสิญข้อหนึ่งท่านให้เว้นอะไรสิลข้อ2ท่านให้เว้นอะไรสิญข้อสามท่านให้เว้นอะไรสิลข้อสี่สิข้อห้าท่านให้เว้นอะไรไปศึกษาให้เข้าใจจะเรียกว่าสิ5ห้าพระพุทธเจ้าท่านทรงรับประกันไว้นะสีเลนะสุขติงยังตติสีเลนะโผะสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยังติ เป็นพืชเป็นบาดเป็นฐานเป็นเบื้องต้นของการตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแท้ๆเลยแหละเนี่ยแม้ท่านตั้งหลใจอยากได้ผลเนี่ยท่านทิ้งศีลท่านก็ไปไม่รอดศีลต้องเป็นพืชเป็นบาดเป็นฐานอยู่แล้วแท้ที่จริงพวกเราชาวพุทธเนี่พอจะเขาว่าชาวพุทธเราเนี่ยมีแต่ชื่อในสัมโนครัวเหมือนอย่างเขาว่าจริงจิงหรือเปล่าทำไมอดอล์ชาวอดอล์เรายัางไม่ถึงร้อยคนเลยน่าจะไม่มีคนร่ำมนะเราว่านะ ถ้ามาถ้ามีคนระดมที่ไหนจะเท่าอดอนเราไม่มีไม่เท่าหรอกถ้ามีคนช่วยกันระดมนีแต่พวกเราถือมาจนจำเจจนเป็นนิสัยละมั้งถึงไม่ค่อยจะอยากลงชื่อลงนามอะไรต่ออะไรเนี่ยค <c oughs> วจะเสียชื่ อ, <c oughs> อเราพูดเราประรบสู่กันฟังแบบ ส, สบายดีกว่าเนาะ วันนี้จะมามาก็ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ท่านพาสวดมหาสมัยมหาสมัยียเป็นสูตรยาวสมัยของภูม่นท่านพาสวดอันนี้สงสวดมนต์อันนี้สงรักษาศีลอันนี้สงปฏิบัติธรรมอันนี้สงปฏิบัติสมถะอันนี้สงปฏิบัตนนสสิวิปัสนาอันนี้สงสวดมนต์เล่าอันิี้สงสวดมนต์ก่อน อันนี้สอส่วนมนในหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นท่านประรบถึงว่ า, วาการสวดมนต์มีอานิสงส์นะแค่ดําริคนเดียวเนี่ยแค่ดําริคนเดียวเนี่ยนะมีอานุภาพไปได้หมื่นจักรวาลว่าเสียงว่าออกเสียงเนี่ยว่าออกเสียงธรรมดาธรรมดานี่ ได้แสนจั ก, กรวาล <c oughs> ว่าเสียงดังๆสุดโกแสนโกจั ก, กรวาลอานิสงของการสวดอะไรแผ่อะไรแผ่ไปได้เป็นจักรวาลจักรวาลอะไรแผ่ไปแต่ว่าพลังพลังของการสวดเพราะสวดมนบทสวดมนนั้นเป็นธรรม ะ, ะธรรมะที่จะมาเปิดเผยที่จะมา แจงแจงที่จะมาเปิดเผยที่จะมาให้ปรากฏในโลกนี้มันเกิดขึ้นในยากพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในยากพระธรรมเกิดขึ้นในยากเพราะพระธรรมเกิดขึ้นในยากนี่เองพระพุทธเจ้าจเกิดขึ้นในยากมนุษย์ก็เกิดขึ้นในยากการมีชีวิตยืดยาวก็ยากนี่มันเกี่ยวข้องมันผูกพันไปหมดและเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการสวด แผ่ไปแผ่ไปได้ยืดยาวถึงขนาดนั้นด้วยอํานาจของพระธรรมของรด้วยเจ้านี่เองธรรมะของรุติเจ้าก็คือสัจหลักสัจธรรมทั่วทั่วไปนี่เองสินี้เป็นบัญญัตินะรุตยเจ้าท่าทรงบัญญตัติเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนพระธรรมศินเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนพระธรรมพระธรรมธรรมะจริยาเป็นธรรมะพื้นพื้นที่เราจะพึงเอามาประพฤติปฏิบัติ ธรธรมะที่ลึกละเอียดเข้าไปนั้นปฏิบัติจนถึงขั้นละขั้นวางได้มรรคได้ผลนั่นก็ไปจากการตั้งใจรักษาศินไปจากการตั้งใจรักษาศินไปจากการตั้งใจประพฤติจริยธรรมกิ ร, มริยามารยาทความประพฤติที่เป็นสินที่เป็นธรรมจนกว่าจะตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปจนถึงหลักของสัจธรมธรมสัจธรรม การที่จะเข้าถึงหลักสัจธรรมเนี่ยเหมือนว่าเราต้องค่อยๆก้าวขึ้นบันไดขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยสมมุติอย่างสลาเราหรือบ้านเราเนี่ยสมมติสลาหลังนี้ก็แล้วกันนะมีกี่ขั้นไม่รู้นะแต่เราสม ม, มุติเอาห้าขั้นก็นแล้วกันขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่4ี่ขั้นที่ห้าบันไดห้าขั้นเราก็พยายามก้าวเข้าไปเราก็ขึ้นเราก็ขึ้นเข้าไปขั้น ขั้นรักษาศีลขั้นรักษาศีลขั้นสวดมนต์ภาวนาขั้นรักษาศีลขั้นทําใจให้สงบขั้นเรียนรู้ละเอียดลึกเขาเ้าไปถึงหลักของสัจธรรมนี้มันเป็นการต้อนรัเข้ามาต้อนรัเข้ามาเหมือนกับเราค่อยๆขึ้นที่สูงนหนึ่งเก้าหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นการทั้งยไปพิสปิบัติธรรมโดยละเอียดโดยละเอียดนั้น เป็นเหตุจะต้องไปขยับตัวเองขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อย เ, เ, เ, <track> เพราะว่าเป็นการตั้งอกตั้งใจสร้างคุณงามความดีท่านเที่ยมเหมือนกับว่าเราเดินขึ้นที่เนินที่สูงเราเดินขึ้นไปขึ้นเนินบ้างรู้สึกว่าก้าวขึ้นบ้างรู้สึกว่าไปเ ส, สมอเสมอบ้างรู้สึกว่าก้าวขึ้นบ้างรู้สึกว่าเสมอเสมอบ้างมีมหมายว่าเราก้าวไปเรื่อยเราทาไปเรื่อยพอไปเราไปถึงไปถึงที่ที่หนึ่งเราหันมาข้างหลังโอ้สูง ก, ก้าไปอีกก้าวไปอีกรู้สึกว่าไปเสมอเสมอบ้างขยับขึ้นบ้างไปเสมอเสมอบ้างขยับขึ้นบ้างหันมาอีกโอ้สูงแน่การตั้งใจประพฤติปฏิบัติขัดเกลาก็าเช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าใครจับอย่างต่อเนื่องไปคนนั้นจะต้องเจริญเจริญจนถึงขีดสูงสุดอย่างแน่นอ น, นเราก็เริ่มสนใจมาตั้งแต่นี้แหละให้ทานเข้ามารักษาศีลเข้ามา การที่เราตั้งใจรักษาศีลเหมือนอย่างที่ท่านพุทธศาสนายังหวัดท่านมาบอกให้พวกเราเหมือนกับเอามหาโชคมหาลาบมาบอกพวกเรานะทําไมพวกเรายังนอนยังไม่ลุกยังไม่ตื่นชาพุทธต้องมาปลุกให้รักษาศีลห้า น, นี่แหมรู้สึกรู้สึกว่าน่าละอายนะโอ ไปเทศที่ไหนล้วก็ขอสินเทศที่ไหนก็ขอสินหรือบางทีวันๆขอสองครั้งสาครั้งก็มีมั้งเราขอไปแล้วสมาทานไปแล้วเราต้องไปรักษาเพราะการตั้งใจรักษานั่นแหละถึงจะมีผลมีอนิสงสมาทานทั้งวันถ้าไม่ตั้งใจแล้วไม่รักษาไม่มีผลไม่มีอนิสงศอกเพราะเราไม่ได้ไปสร้างเหตุเราไม่ได้ไปทาเหตุเราไม่ได้ไปทาเหตุ อั น, นิสง์ของการสวดมนต์อั น, นิสงของการรักษาศีลพระพุทธเจ้ า, รจาสรรพประการศีเลนะสุขติงยันติเราจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลศีเลนะโพคะสัมปทาเราจะมีโภคะได้ก็เพราะศีลเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานดับทุกข์ในหัวใจได้ก็เพราะเรามีศีลแค่เราตั้งใจรักษาศีลห้านิย เราระงับดับทุกกิริยาที่ก่อกวนความทุกข์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราที่มันจะพึงแสดงออกทางกิริยากายกิริยาวาจานี่กิเลสหยาบหยามันแสดงออกมาทางกิริยากายกิริยาวาจารู้ที่เจ้าชุบท่านถึงให้พเรารักษาสิลไปดูที่กายกรรมสมวจีกรรมสี่ไปดูที่หลักในในปุศลกรรมบทกายกรรมสามวจีกรรมสี่ มันเป็นกิริยาที่กิเลสมันแสดงออกมาที่กายที่รูปธรรมคือ ก, กายกับวาิจาของเราเนี่ยกิเลสมันแสดงออกมาทางกายกรรมฆ่าสัตว์รักทรัพย์พระพุทธผิดในกรรมรองเราถือศีลปั๊บนี่สัตว์เราก็ไม่ฆ่าทรัพย์ของคนอื่นเราก็เคารพสิทธิของคนอื่นแล้วก็ไม่ผิดศีลข้อสามโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อสามนี่แหละเหมือนกับฟืนกับไฟเลยทีเดียวแหละอย่าไปลองเด็ดขาดเราอาจจะกรีมยิ้มย่มยอง เวลามันประสบผลสาเร็จตามที่กิเลสในหัวใจของเราต้องการเท่านั้นเองแต่ในหัวใจของเราเนี่ยร้อนยิ่งกว่าไฟในเตาร้อนระอุอยู่ในนั้นอนะ่ะเดือดร้อนดีไม่ดีบ้านแตกซะแรกขาดทําให้ครอบครัวนั้นเนี่ยทุกยากลำบากเหมือนอย่างท่านผู้ศาสนาจังหวดท่านอธิบายถึงอนิสงส์ที่เราตัง้งใจรักษาศีลเนี่ยทให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นจุ ข, ขนาดไหน เนื่องจากว่ากิเลสยาวๆมันแสดงออกมาที่กรย า, กายนั่นแหละมาฆ่าสัตว์มาลักสัตว์มาประพฤติผิดทางกามมาประพฤติผิดทางกามเพราะอะไรเพราะกิเลสมันล่อมาทา ง, ทางตาเนี่ยกิริยาท า, ทางกายทางกายคนเราเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราเราบริโภคสัตว์นะคิดว่าเราต้องฆ่าสัตว์แต่ฆ่าสัตว์มันก็มีโทษแค่ฆ่าสัตว์แต่มันไม่ถึง มันยิ่งมากกว่านั้นไปคือการฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์ฆ่ากันมากมายมหาศาลเหมือนอย่างที่เราได้ยินข่าวทั่วโลกนั่นแหละเดี๋ยวที่โน้มฆ่ากันเดี๋ยวที่นี่ฆ่ากันฆ่ากันมากๆฆ่ากันแบบไม่มีคุณค่าอะไรเลยมนุษย์หนี่ว่าแต่ชอบใจไม่ชอบใจกับฆ่าชีพหายวายป่วยไปหมดเลยถ้าเราตั้งใจรักษาศีลเราไม่ฆ่าสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ได้ยุงมดตัวเล็กเราก็ไม่ฆ่า นี่ใช <ITA> ถ้าเราฆ่าไปแล้วเราผิดศีล้วผิดศด้วยแล้วผิดธรรมด้วยเพราะอะไรเพราะเราฆ่าสัตว์เป็นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมและก็ผิดศีลเพราะศีลม้วเป็นทั้งศีลด้วยเป็นทั้งธรรมด้วยธรรมะภาคญาณญาธรรมนะภาคญริยธรรมผิดศีลด้วยผิดธรรมด้วยเป็นบาป เป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมนี่รักทรัพก็เช่นเดียวกันเรารักของเขาเขาก็จะรักของเรามันเป็นเรื่องของกรรมข้อสประพฤติผิดประเวณีนอกใจสามีนอกใจภรรยาภรรยานอกใจสามีทำไมสามีภรรยานอกใจกันทำไมถึงมีบาปมากถึงขนาดนั้นทำไมถึงหนักหนาสาหัสถึงขนาดนั้น ทำไมจำเป็นจะต้องได้บาปสมมติว่าสามียินดีให้ภรรยาไปมีสามีใหม่แต่เรายังอยู่ด้วยกันยังเป็นสามีภรรยากันอยู่นี้จะบาปไหมแต่ในหลักท่านไม่ได้อนุโลมเอาไว้นะท่านท่านไม่อนุโลมเอาไว้ตามหลักของศีลห้าท่านไม่ได้อนุโลมเอาไว้ท่านถือว่าสามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีสมบัต สมบัติคืออะไรสมบัติคือการสัมผัสเราดูไปที่การสัมผัสสามีสัมผัสภรรยาภรรยาสัมสัมผัสสามีนั่นคือเราสัมผัสสมบัติของเราถ้าหากสามีนอกใจภรรยาหมายความว่าขโมยสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นนะภรรยานอกใจสามีภรรยานี่แหละขโมยสมบัติของสามีไปบำรุงบำเรอ <ở S 2> คนอื่น เพราะฉะนั้นโทษอันนี้จึงมีโทษจึงมีโทษที่จะเรียกว่าที่ที่ท่าน ท, ที่ที่จะเรียกว่ากาเมสุมิจฉาจายประพฤติผิดประเวณีมันมีโทษอย่างนี้เคยรักเคยรักเคยรักเคยรักใครเคยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่พออยู่มาขั้นหนึ่งระยะหนึ่ง โดยเหตุที่ว่ากิเลสในหัวใจของเรามันมีความอิ่มมันมีความพอมันก็มีความต้องการอย่างนั้นถ้าหากเราไม่มีศีลเป็นปล่าอ้าวสามีก็นอกใจภรรยาภรรยาก็นอกใจสามีต่างคนต่างแข่งขันกันออกนอกศีลนอกธรรมท่านบอกว่าเอาฟืนเอาไฟเวลามาเข้ากันเวลาไม่อยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะในทับความเดือดร้อนเพราะเพราะมันผิดมันผิดยังไงผู้ที่เคยทํามันรู้เองนะมันเดือดร้อนยังไง รู้เองเลละเนี่ยท่านจึงให้ระงรับให้ระงรับอันนี้ให้ระงรับให้ระงรับกามเกี่ยวเกี่ยวกับยอดกามอันนี้เกี่ยวกับที่ระบาดยอดกามขโมยสมบัติขโมยสมบัตินอกใจแก่กันและกันเนี่ยท่านจึงว่ามีโทษมากโดยเฉพาะการบริโภคสามีภรรยาพอใจในสามีภรรยาคู่ครองตัวเองท่านถือว่าเป็นไฟในเตา ไฟในเตานั้นได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เพราะสามีก็เกื้อกูลภรรยาภรรยาก็เกื้อกูลสามีท่านถือว่าเป็นไฟในเตาไปหุงไปต้มไปปิ้งไปอะไรได้ประโยชน์ทั้งหมดแต่ถ้าเอาไฟนั้นนอกเตาเข้าไปแล้วอา จ, จไปไหม้ไม้ป่าไหม้บ้านไหม้ช่องไหม้อะไรสารพัดไหม้ไปหมดแต่ในครอบครวัวของเราเนี่ยมันไม่ใจไม่จิตใจให้เราร้อนจนแตกระหองระแหง แตกกระหอกแทงไปหมดต้องแตกกันต้องหย่าร้างกันต้องตีกันต้องทะเลาะกันนี่ไม่ต้องฆ่ากันต้องแกงกันสารพรดราวูความทุกเหล่านี้ตามมาถ้าหากเราระมัดระวังเรื่องเหล่านี้โทษเหล่านี้ไม่มีนี่สินสินข้อหนึ่งไม่ฆ่าศินสินข้อสามไม่ฆ่าสักไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่มีไม่มีโทษไม่มีความเดือดร้อนเหล่านี้ไม่พูดเท็จ พูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพลยเจออันนี้คือกิริยาที่กิเลสนแสดงออกมาทางวาจาวาจาคือคําพูดพูดเท็จพูดเท็จพูดยาบพูดเท็จก็คือพูดโกหกพูดไม่ตรงตามหลักความเป็นจริงพูดไม่ตรงตามที่รู้ตามที่เห็นตามที่เข้าใจทําให้คนอื่นเข้าใจผิดทําให้คนอื่นเสียประโยชน์เป็นการพูดหลอกลวงพูดยาบ ขายพูดตลกขนองพูดเพยเจอเหลวไหลเกินเหตุเกินผล <c oughs> นี่กิริยาความคึกขนองของกิเลสมันแสดงออกมาทางกิริยาวาจาเรารักษาสินสินห้าเราระงับได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เพ้อพืชผิดในกาบ <c oughs> ไม่พูดเท็จพูดอยาบพูดส่อเสียดพูดเพยเจอแต่มันมีอีกอันหนึ่งคือศินข้อ5ศาสินข้อหคือไม่ดื่มของเมาเพราะของเมาของเมามันเป็นวัตถุ มันเป็นน้ําไปพอดื่มไปแล้วมันเมาวัตถุใดก็ตามที่ดื่มไปแล้วบริโภคไปแล้วเมาท่านถือว่าสุรามีไรสุรามีไรสุราของกลัน่นมีไรของหมักของดองของเมาดินมไปแล้วมันเมามันทับประสาทมันทําให้เคลิม้มโคลงเคลงที่สําคัญที่สุดก็คือขาดสติคนเราพอจะเป็นผู้เป็นคนได้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีสติ เราฝึกให้ถึงที่สุดที่จะเรียกว่าสติสมบูรณ์สติวิปุละสติวิปุละพระอระหันต์ท่านถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีคนโจยฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้พุทธเจ้าท่านยังให้ส่วนประกาศสติวินัยสติวินัยถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์อาจจะไป พลังอาจจะไปเผลอไปถูกไปต้องไปจับไปอะไรตัวอะไรของเขาก็ถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ท่านไม่ปรับอบับดัอบอับดับหนักๆท่านไม่ปรับท่านไม่ปรับท่านจะแสดงอบับดัอบอับดับเบาๆอาบับดับทุกข์เราเคยอยู่บ้านตากหลงตาท่านแสดงอับัตบทุกข์กอดแสดงอับัตบทุกข์กอดอับดับทุกข์นี่ก็ท่านประมวลแสดง ด้วยกิริยาแค่กิริยาเท่านั้นเองมันไม่ถึงใจไม่ถึงใจดอกด้วยจิตที่บริสุทธิ์แท้จริงไม่มีแม้เม็ดหินเ ม, ม็ดสายที่จะลองตั้งใจมีเกจจำนองที่จะล่เกินสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่คื อ, อเราบริโภคของมึนเมาและจะทําให้เราไม่มีสติในเมื่อเราไม่มีสติเป็นเหตุให้เราฆ่าสัตว์ก็ง่ายลักทรัพย์ก็ง่ายผิดลูกผิดเมียเขาก็ง่ายนะ พูดเท็จพูดยาพูดโซเสียลเพ อ, เอร์เชอก็ง่ายเพราะฉะนั้นศินห้าเลยหนักกว่าเขานะถ้าเราจะพิจารณาไปแล้วถ้าเราจะพิจารณาไปแล้วท่านจึงให้เราละเวน้นไม่ดื่มของลองของเมาอย่างสมัยทุกวันนี้ของเมาที่รุนแรงที่สุดยาบ้ายาบ้าสมชื่อแล้วเกินยาบ้านท่านบอกว่าไม่ต้องลองหนึ่งครั้งสองครั้งเคยมีคนที่ติดยาบ้าเอาไปบำบัดคิดว่าหายเสร็จแล้วไปบวช ไม่เป็นผู้เป็นคนหรอกกี่คนก็เท่านั้นแหละรับตำมานูไปแล้วเหมือนสุ่มทั้งนู่นหน่งพัฒนาไม่ขึ้นเลยมันสมองนี่เหมือนสิ่งเหล่านั้นเอาไปกินทั้หมดทำลายมันสมองหมดเลยนะสัพจะว่าตายทั้งเป็ดจริงๆอย่างเขาว่านะโอ้อย่าลองโรกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายอย่าลองเด็ดขาดเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องที่ท่านพูดเอาไว้ดิ<ม>เพราะสิ่งเหล่านี้มันไปทำลายประสาสมองจริงๆ<ม>นี่เราพูดถึงของเมา เวลาข้อข้อข้อห้านี่ถ้าใครเมาเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราต้องต้องต้องขาดสินสินข้อหนึ่งก็ง่ายข้อสองก็ง่ายข้อสามก็ง่ายข้อสี่ก็ง่ายรวมหมดก็คือขาดทั้งหมดเลยสามารถขาดได้ไง่ายๆการตั้งใจรักษาศินนั้นมันช่วยระงับกิเลสอับหยาบที่เรียกว่าวีติกมรรคกิเลสที่เราจะพึงก้าวล่วงทางกายทางวาจาเนี่ยกิเลสนะ สิ่งที่เป็นเหตุให้เราได้ประสบความทุกข์อยู่นึหนึ่งก็คือกิเลสในหัวใจของเรากิริยาที่กิริยาที่ท่านให้ตั้งแต่รักษาสิ่เพื่อระงับกิริยาของกิเลสที่จะพึงมาแสดงกิริยากายทางกายกรรมทางวิจีกรรมไอ้คำว่ากรรมกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทําการกระทําอย่างอื่นมากมา ย, ยเยอะแยะพระพุทธเจ้าท่านไม่เอามาบัญญัติเป็นศิน่งทา พราการกระทําเหล่านั้นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีบาปไม่มีกรรมเหมือนอย่างกิริยาเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนกิริยาแต่ละอย่างถือว่าเป็นกิริยากายกรรมเราพูดนู้นพูดนี้พูดให้รู้ให้เข้าใจให้อะไรแต่ไรเป็นกิริยาของวิจิกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมท่านั้นแต่กรรมเหล่านี้มันไม่มีเวรมีภัยมีบาปมีกรรมกับใครท่านไม่ได้เอามาบัญญัติท่านเอามาบัญญัติเฉพาะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ให้เว้นฆ่าสัตว์ให้เว้นลักทรัพย์ให้เว้นพระพฤติผิดในกรรม ให้เป็นพูดยาพูดโซเซียลพูดเพลยเจอร์แล้วก็ให้เว้นดื่มสุราเมาีรัยเพราะอันนี้มาช่วยทับระงับสติสัมปชัญญะให้เราเป็นคู่ขาดสติสขาดสัมปชัญญะแล้วก็ล่งละเมิดสินได้ง่ายท่านถึงมาบัญญัติแค่ศี่ท่าใครตั้งใจรักษาศินท่าได้คนนั้นจะมีความสุขาสามารถไปสู่สุกติได้สุกติก็คือเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สมบัติไปจากมนุษย์ ก็ไปสู่สุคติก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์อีก็เป็นมนุษย์ชั้นผู้ดีหรือเกินมนุษย์ไปอีกก็เป็นเทวดาตั้งแต่ภูม่าเทวดาขึ้นไปย น, นุษยสวรรค์หกชั้นเป็นเหตุให้เราเพิ่มภพชาติของเราให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นชี้เลนะสุขติมไปดีสุขติแล้วว่าไปดีไปสู่ที่ดีไปแล้วไม่มีโทษไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีภัยประยุกสุขประยุกสบายชีเนะช้เลนะชี้เลนะโภอคสัมปทา สีเนะโผล่คสัมปทานี้การตั้งใจรักษาศีลก็เป็นเหตุให้เป็นการช่วยรักษาโผคะของเราได้เป็นอย่างดี <c oughs> ไม่เชื่อเราลองผิดศีลข้อหนึ่งดูอ่ากินเหล้ารักทรัพย์เนี่ยผิดศีลผิดธรรมเนี่ยข้อ3ยิ่งข้อ3ด้วยแล้วเนี่ยสมมุติว่าไปแอ บ, ม, อแ ม, อ ม, แอบมีแฟนใหม่เนี่ยผู้ชายสามีไปแอบมีแฟนใหม่ หรือภรรยาไปแอบมีแฟนใหม่สิ่งที่เป็นน้ำยาเพื่อที่จะเป็นเชื่อมประสานสิ่งเหล่านี้ก็คืออะไรคือโภคะให้เงินให้มากให้น้อยใ ห, ให้นู้นให้นี้ซื้อนูน้นซื้อนีซอซอ้ซื้ออะไรอะไรใ ห, ห้หรือไม่ก็ไปกินเหล้าอย่างนี้หรือไม่ก็ไปเล่นพ น, นันหรือไปเที่ยวกันคืนมันเข้ากันหมดแหละนี่คือการไม่มีสินนั้ น, ส, น, นสิ่งเหล่านั้นเราไม่มีสินอย่างนั้นลองดูโภคะเราจะเหลือไหม ภูคาเราไม่เหลือนี่อตมาอยู่แถว น, นั้นได้ยินอยู่ไม่ใช่ได้ยินเห็นด้วยนะมีคนชอบชอบกินเหล้านิสัยนี่ชอบเหล้านอกจากชอบเหล้าแล้วก็ชอบพนันแต่เป็นเป็นช่างฝีมือดีมากทํางานได้วันละเกือบเป็นพันนะแต่ว่าทํางานพอได้เงินนะครับหายไปแล้วสองสามวันแล้วไปกินสกัดเล่น ไปกินแล้วก็เล่นจนหมดแล้วมาทำอีกไปกินไปเล่นจนหมดแล้วมาทำอีกไปกินไปเล่นจนหมดแล้วก็มาทำอีกนั่นเหลือไหมนะคือไม่มีสิน่ะไปกินเหล้าแล้วไปเล่นพนันบางคนก็หนักไปมากกว่าน like uh ั huh. ้นอีกเอาโพค่าหล่านี้ไปล่อผู้หญิงก็ไปล่อผู้ชายผู้ชายก็ไปลอกผู้หญิงโพค่าที่ไหนมันจะเหลือ เพราะฉะนั้นสินห้าท่านลองถือปฏิบัติเครื่องฆ่าตามนั้นหนูโพคะท่านจะเหลือจากสิ่งเหล่านั้นมากมายมหาศาลมันไม่มีเล็ดอดไม่มีรั่วไหลไปไหนแหละโพค่าคำว่าโพคะคือปัจจัยสีที่เราใช้สอยนี่เองจบลงแล้วคือเงินคือทองนี่แหละนะเป็นยอดรวมของโพคะเป็นยอดรวมของปัจจัยทั้งสี่ปัจจัยจะต้องเหลือแน่นอนเนี่ยสินห้าจึงมีผลมีอนันส์ แล้วก็ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเป็นบานเป็นฐานเราตั้งใจจะปฏิบัติทําให้ยิ่งขึ้นไปทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันคิดถึงเรื่องหยาบหยาบเกี่ยวกับเรื่องกามเนี่ยเรื่องการเรื่องกินเรื่องเกลียดอย่างที่ท่านชอบกล่าวมาพูดเนี่ยในสังคมที่เราหลงเราเพลินไปในสังคมเราเขาเสียหายไปกับสิ่งเหล่านี้เสียหายจริงจรบางคนไม่ไม่เหลืออะไรเลยเลยบางคนเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยถูกสังคม ถูกสังคมแล้วก็เราก็หลงเคลื่อนไปกับสังคมแล้วก็ดึงเราไปแล้วทำให้เราเนี่ยตกต่บไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแหละจะ ก, ก้าวหน้าด้วยการตั้งใจรักรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปพราะนั้นก็ทาไม่ได้จะทำให้เป็นอธิศีลกับธรรมยังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจรักษาศีลจะมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสมัครทั้งวันนี้เลยซะ วันนี้น่าจะได้สักสองสามร้อยนะะเอเอท่านหัวหน้าจัางหวัดส <c oughs> มาเนี่ยสนับสนุนเกินร้อยมีเท่าไรสนับสนุนหมดอืมแต่ด้วยเหตุที่เราเคารพยำเกรงกันี่แหละเราคิดโ อ, นนอ้คนนั้นทั้งกระถือคนนั้นท่างกรถือคนนั้นท่างกระถือนิจจะสินถือสินห้าเป็นนิจจะสินท่านถือเถอะท่านทั้งหลายถือเถอะสีนนี่แหละพาเราไปสู่สุคติ ศีลนี่แหละพาเราให้เหลือโภคะโภคะท่านเสียหายเพราะเราขาดศีลข้อไหนบ้างท่านํารวถดวตตาดูเอาเองก็แล้วกันฉะนั้นจะตั้งใจปฏิบัติทรรมให้ก้าวหน้าเนี่ยก้าวหน้าแน่นอนเลยถ้าท่านตั้งตั้งเนื้อตั้งตัวศีลห้าบางคนเขาอยากขยับไปนูดศีลแปดโอ้แต่ศีลแป น, นี่ขยับไปแล้วก็เป็นเหตุให้เป็นเหตุให้คุณธรรมในใจของเราเกิดขึ้นละเอียดขึ้นะนีทขึ้นมากนะ ศินส2งศีิน 7, ิบของเนนสมาเนนศินสีิบพระเจ้าพระสงค์เนี่ยินส2งรีิบ2 2็้อบข้อบางคนอยากถือมากกว่านี้อ่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเรากำลังจะเริ่มมีเยอะเลยศิน311ของพิษุณี311ินนะพิษุณีพิสุณีเมืองไทยเรานี้มีเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ที่เชียงใหม่ที่จอมทองอารามพิษุณนะีวัด นิโรธ า, ารามยมเพรยมทองวันนั้นเราถามเราเจอเราถามเขาก็บอกว่าที่วัดเขามีทั้งห้าสิบกว่าพิสุนีมีเยอะเพราะฉะนั้นพวกเรานะครอบครัวเราทำอะไรมีต้องระมัดระวังเดียวนี้ระวังนะเขาหนีไปบวชเป็นสุนีกันหมดนะ <c oughs> นะรู้สึกโก้ดีรู้ดีแต่ พนิพพานของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บัญญัติบ้านของอันนั้นเป็นของศินห้าอนั้นเป็นของศินแปดสิน 8, สิบส11ท่านไม่ได้บัญญตัติท่านบัญญัติศินแค่ต่ําแค่ศินห้าที่พวกเราอยู่บ้านนี่แหละทั้งที่เรายังไม่ได้อับกายออกจากกามยังไม่เอาจิตออกจากกามนี่แหละขอให้เรามีศินห้าขอให้เรามีศินห้าเราตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้เราก็มีความสุขและก็สามารถ สามารถทำจิตให้ได้รับความสงบโยม่าเนี่แหละทำจิตให้ได้รับความสงบสามารถเอาจิตของเราออกจากกามได้เมื่อเราเอาจิตออกจากกามได้เราสามารถจะมาพิจารณาธรรม ะ, ะแค่เรามาทำจิตให้ได้รับความสงบด้วยเหตุที่จิตของเราไม่มีอะไรก่อวกวนจิตของเราจะได้จะสงบแต่ถ้าเราไม่มีศี alan, ลจิตไม่สงบหรอกภาวนาเท่าไหร่ก็ไม่สงบ เพราะการผิดศีลนี่แหละมันมากวนใจเราทุกระยะทุกเวลาการผิดศีลนี่แหละเป็นเหนให้วุนใจเราทุกระยะทุกเวลาเพราะจิตใจมันร่าวร้อนอ่แต่ถ้าเราทําจิตให้ได้รับความสงบเราไม่ได้ออกจากบ้านนี่แหละเราอยู่บ้านนี่แหละกายเรายัางไม่ออกจากกามเยเราพยายามเอาจิตเราออกจากกามได้ด้วยเหตุที่เราตั้งใจภานาให้ใจได้รับความสงบอ่ได้รับความสงบ สมัยพุทธกาลท่านอยู่บ้านอยู่ช่องเลยท่านมีสินเสร็จแล้วท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้อริยธรรมตั้งแต่พระโสดาบาันขึ้นไปจนถึงอนาคามีเร า, า, าดูในในตำนานมีแม้แต่พระอรหรันต์เช่นอย่างพระเจ้าสุโธทนาท่านก็เป็นท่านก็ไม่ได้บวชอะไรนะเศรษฐีอะไรนะเศรษฐีอะไรน ะ, ระรนะที่ เป็นเศรษฐีของธรรมธินาเนี่ยไปฟังธรรมะจนได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีท่านก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วพอกลับบ้านมาก็มาบอกยกสมบัติให้ภรรยาทั้งหมด่ยยกสมบัติให้ภรรยาทั้งหมด อันนันก็ให้อันนันก็ให้อันนันให้เราเคยเกี่ยวข้องกันยังไงยังไงเราต่อไปเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วเพราะท่านไปเข้าถึงธรรมพระอนาคามีพระอนาคามีก็คือไม่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับกาเมคุณไม่ติดใจเกี่ยวกับเรื่องรูปรูปธรรมไม่เกี่ยวไม่ติดใจเกี่ยวกับเรื่องกามติดใจเกี่ยวข้อเรื่องคุณสมบัติของขิดที่ละเอียดลึกขึ้นไป ออเรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องความสงบเกี่ยวกับเรื่องฌานสมาบัติละเอียดนึกขึ้นไปพระอนาคามีท่้งก็สามารถทําได้น้งวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจดขวบเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจดขวบคนอายุเจ็ดขวบคนอายุเจดปีมีมีความสามารถขนาดนั้นนะบุญเก่าเขามากนะบุญเก่าเขามากพวกสัมมาเนที่เป็นสมมาเนร ได้เป็นพระอาหารหันต์เช่นอย่างทิตสัมเนธเนี่ยสัมเนธที่เป็นโลกอุปถาของ菩萨ที่บุญเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีคุณสมบัติของผู้มีอายุเจปีในสมัยนั้นทำไมมีคุณสมบัติมากถึงขนาดนี้มีเพราะบุญเก่าเขามากนั่นเองบุญเก่าเขามากนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงเรา ยังไม่ได้ออกมาถึงเพศแบบนี้แต่เราสามารถทำจิตให้ของเราได้รับความสงบเมื่อจิตของเราได้ได้รับความสงบจิตของเราก็จะห่างออกจากกามจิตของเราก็สงบสงัดจากกามสามารถทำจิตให้สงบสงัดละเอียดลึกเข้าไปมากกว่านั้นได้จิตที่สงบสงัดจากกามแล้วสามารถเอามาพิจารณาทางด้านวิปัสสนาเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็สามารถจะพิจารณาเห็นได้ง่าย เน <ste> ี่ยกิเลสมาแสดงกิริยาที่กายที่วาจาไม่ได้กิเลมันกิเลมันแสดงมันหลอดเรื่อยอยู่ภายในใจมันโดดเรื่อยู่ภายในใจมันนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดนึกอิชาทิสยาพยาบาทแต่ไม่ได้แสดงกิริยามาทางกายทางวาจาแสดงออกมาทางกายทางวาจาไม่ได้เพราะเราตั้งใจรักษาศี่ห้าเราตั้งใจรักษาศี่ห้ากิเลสแสดงออกมาไม่ได้แสดงภายในจิตคิดรักคิดชังคิดโกรดนึกเกลียดนิยดกิรออดออไรารรัสรั้ พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธท่านให้ภาวนาคือให้ทำใจให้ได้รับความสงบจิต ท, ที่สงบก็คือจิตไม่นึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิน่นเรื่องรสเรื่องสัมผัส น, นึกเกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องใครเรื่องชอบใจพอใจไม่พอใจอใจิตใจริศยาพยาบาทจิตจึงจะได้รับความสงบเมื่อไม่คิดนึกสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตได้รับความสงบจิตได้รับความสงบละเอียดตามลําดับ ตามหลักท่านพูดถึงชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ละเอียดนึกเข้าไปโดยลําดับเนี่ยจิตสงบจิตสงบเนื่นองจากว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ภาวนาทําจิตให้ได้รับความสงบเหมือนอย่างที่พวกเราทําภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราภาวนาพุทโธเพื่อให้ใจได้รับความสงบใจที่สงบก็คือใจที่ไม่นึกคิดเรื่องเรื่องตามรูปเสียงกลิ่นรูปผลิภัณฑ์สิ่ ง, ง, ปปงว่านี้เป็นกามเป็นวัตถุกาม พอจิตสงบสงัดจากกามจิตก็สงบมีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวคือพุทธโธสมมุติอย่างรับบริกรรมพุทธโธพุทธโธจิตไม่ทิ้งพุทธโธสงบอยู่แก่แค่กับคําว่าพุทธโธไม่เคลื่อนไปไหนไม่ยักย้ายผันแปรไปไหนอยู่กับอารมณ์เดียวพุทธโธจิตจะมีความสงบจิตจะมีความสุขที่เนายกว่าวิจดวิจารปีติสุขเอกกตานมีปีติ เราพุทโธพุทโธพุทโธใช้สติสัมผัจันทะประคองไปเรื่อยๆทำซ้ำๆเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกับเราบริโภคอาหารใส่เข้าปากใส่เข้าเรื่อยบริโภคเข้าเรื่อยบริโภคเข้าเรื่อยจะเริ่มดิ่มเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มไปเรื่อยเราเอาคําว่าพุทโธซึ่งเป็นอาหารของใจบริโภคเข้าไปบริโภคเข้าไปบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ต้องอาศัยสติสัมผัจัญทรต้องอาศัยวิริยะอุตสาหะอาศัยความอดความทน อย่างยิ่งยวดระคับประคองให้สิ่งเหลนี้อยู่กับอารมณ์เดียวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทิ้งคําบริกรรมเราสงบอยู่กับวิตกวิจารณ์สักพักหนึ่งเดียวก็จะได้ปีติได้รับความอิ่มเอิบได้รับความสงบได้รับความสุขเนื่องจากว่าเขาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธแค่นี้เราก็มีความสุขแค่นี้ตามหลักท่านก็เรียกว่าฌานที่หนึ่งนะปฐมฌานเพราะฉะนั้นเราเราจับหลักได้แค่นี้เลย เราวิตกกังวลแล้วเกิดโอ้เราทำบุญน้อยแล้วเกินทำไงเราตายแล้วคติของเราไม่แน่นอนเราอยากจะมีคติที่แน่นอนให้ท่านทั้งหลายอย่าปล่อยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้จิตสงบให้จิตแนบแน่นมั่นคงเอาอารมณ์เนียพุโทโธพุโทโธไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรอย่างเง้ยให้จิตสงบอยู่แค่นี้ท่านไปสู่สุขติแน่นอนท่านอาจจะเปลี่ยนพบจากพบสวรรค์ธรรมดาโน่นไปพรหมโลกโน่นแค่นี้เอง เราลองตั้งใจทำดูเอมันไม่น่าจะเหลือบากว่าแรงนะนี่เราขยับจากเรื่องศีลเอาศีลมาเป็นเครื่องช่วยหมุนเพื่อให้จิตของเราได้รับความสงบเป็นเรื่องของสมาธิสมาธิมีพลังนะมีอนุภาพมีพลังมีความสงบมีความสุขจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเหมือนอย่างที่เราเห็นเ็ามีฤทธิ์มีเดชมีอะไรตอะไรนั่นแหละ ถ้าเป็นอิของพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่แบบโอ้ยแพรวสามารถเนรมิตนุนเนรมิตนี้เนรมิตอะไรต่ออะไรได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กุณยังท่านเนรมิตผ้าให้พระจุลบันธกบริกรรม ร, รัชโชหะรนังรัชโหะระนังบริกรรมใบลูกไปบริกรรมใบรรมลูกไปลูกไปลูกไปลูกไปลู ก, ล ก, ลกไปผ้าขา ว, ขาว ก็ทําให้ผ้าเหล่านั้นมองลงมองลงมองลงทำให้พระจุลบัลถกเห็นว่าโอ้ร่างกายของตัวเราเนี่ยสกปรกมากเหลือเกินได้ปฏิกูลสัญญาพนะระพุทธเจ้าก็พลิกมาเกี่ยวกับเรื่องวิปัสนาให้พิจารณาในแง่ของวิปัสนาจุลบาลถงบรรลุธรรมปึ๋งเดียวนะได้เป็นพระอรหันต์พร้อมด้วย ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว, วิชาพลิกจิตวิธีพลิกจิตจากคนคนเดียวแปลงคนเป็นพันคนได้ นี right Trump, ady, ่เ <sucks> ห <hand> <groups> ็นไมพระพุทธเจ้าท่านสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปกรณ์มาเป็นเครื่องมือได้ก็เหมือนอย่างที่พระองค์ไปแสดงฤทธเดชกับผู้ลุกเวรคสปะนั่นแหละเป็นร้อยๆอย่างเป็นพันๆอย่างเพื่อไปปราบพวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นให้ยุบหมัดพวกนั้นเถิดอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะไปปราบท่านเหล่านั้นเพื่อที่จะไปให้คนเลื่อมใสศรัทธา พวกรู้เวลากระสปะถ้าหากไม่มีคุณสมบัติถึงขนาดนั้นโอกาสที่เขาจะมายอมรับนับถือนี่ยากมากดูแต่พระพุทธเจ้าพยายามไปตล่ำเพื่อที่จะให้เขามาหันมาเคารพนับถือเนี่ยใช้อุบายใช้วิธีการแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏมรุกอีกครั้งต่ออีกครั้งเป็นร้อยรอยเป็นพันพันอย่างแต่เวลาตอนจะอยู่นั้นนะ่ะตอนจะอยู่หมัดนะพระไทยของพระองค์ก็ดูไปที่จิตของรู้เวลากระสปะเหมือนกับเหมือนกับมีเครื่อง จอเรดาดูใจตลอดก่อใจจะยอมไมหรอยยอมไมหรือยังยอมไหมหรยังทำริดทำเด็ให้ปรากฏแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ก็ยอมรับอยู่ว่ามีริดมีเด็ดแต่ว่าสู้เราไม่ได้เราเป็นพระหรันเขาสําคัญตัวเขาเองว่าเขาเป็นพระหรหันว่าอย่างนั้นน่ะทำยังไงก็ว่าแต่อย่างนั้นแหละพอตอนสุดท้ายตอนจะอยู่หนึ่งวันนั้นฝนตกฝนตกฝนตกหนักน้ําท่วนมน้ําท่วมไปหมดทีนี้อยู่คนละแห่งอยู่ในบริเวณ วัดเดียวกันของอุรุเวลาคัสปาเนั่นแหละแต่ว่าอยู่คนละแห่งพอหลังจากฝนหยุดโอ้ไม่ใช่น้ําท่วมพระโคดมแล้วเลยพากันไปดูไปดูพุทธเจา้าท่านก็เดินอยู่กลง น, น, นั้นะน้ําท่วมสูงนั่นแหละแต่ว่าน้ําำกลายเป็นกําแพงกั้นน้ําเองทําให้ทางอยู่ตรงของพุทธเจา้าหนีขี่ฝุ่นคลุ้งท่านเดินอยู่กลงไปเดินกลมมาได้สบายอุรุเวลาคัสปากับลูกศิษย์ไปเห็นแปลกอัศจรรย์มากโอ้ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก แต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์พอมาถึงตอนนี้พอมาถึงตอนนี้ใจมันยอมรับเต็มร้อยแล้วพวทุทธเจ้าจ่อไปแล้วทราบว่าวพอใจเขาลงเต็มร้อยแ ล, แล้วก็ใส่เลยแล้วตอนนี้กัสปะเธอสําคัญแต่ ว, ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอเขายังไม่รู้จักหัวเข่าอ่อนโยบราบ ม, มามาขอขอบวชทันทีนะีน้องชายคนที่สองบ ร, บ, บริษัท ผูรู้ะคัจจปันบริวาร500ร้อนาทีคัจปันน้องชายคนรองลงไปบริวารสามรอน้องชายรองลงไปบริวารสองในที่สุดก็เลยมาบวชคระพุทธเาเลยแสดงอาทิตตปริยาติสุรแสดงจบได้บรรลุเป็นพระอรหัทั้งหมดนี่เห็นไหมอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็ไปจากกิจเองเริ่มไปจากกิจกิจในท่าความสงบละเอียดพร้อมด้วย ปัญญาบารมีสร้างบารมีมามากมายมหาศาลประเภทปัญญาทิกัดพระโกดมของเราเป็นประเภทปัญญาทิกัดประเภทศรัทธาทิกัดประเภทวิทยาทิกัดี่ก็สร้างนักเข้าไปโดยลําดับ <c oughs> นี่เราพูดถึงคุณสมบัติของการตั้งอกตั้งใจภาวนาถ้าหากเราทรงอารมณ์ทรงอารมณ์ของพุทโธพุทโธไม่คลาดเคลื่อนไปไหนเนี่ยแล้วก็ดับชี้ไปชนไปตอนนั้นเนี่ย ไปสู่สุกติไปสวรรค์ชั้นพรหมแน่นอนเลยนี่แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยให้จิตของเราได้รับความสงบเหล่านี้อย่าลืมศีลเด็ดขาดศีลเกื้อกูลสมาธิสมาธิเกื้อกูลปัญญาครูบาอาจารย์ท่านยิ่งไม่ให้ทิ้งหลักของศีลหลักของสมาธิและหลักของปัญญาปัญญาที่จะเอาไปพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังนัตตาตามหลักสัจธรรมทั่วๆไปนั้นถ้าหากไม่มีศีลรองพื้นไม่มีสมาธิรองพื้นเนี่ จะเป็นเหตุให้ปัญญานั้นเนี่ยคมได้ยากคมได้ยากคืออารมณ์ที่เรามาพิจารณาภายในใจของเราเนี่ยมันไม่คมมันไม่ชัดจับมาพิจารณาไปถูกสัญญามาแย่งไปแล้วสัญญาสัญญาเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันเป็นกิริยาอาการของจิตส่วนมากมันจะมีแต่กิริยาอาการที่เป็นเรื่องของเคลีที่มันแทรกเข้ามา เพราะว่าเราไม่เคยแย่เข้าไปที่รังของตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราเราไม่เคยต่ อ, อกรกับมันเลยตัณหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราตัณหาคือความทยานอยากในใจของเราเราไม่เคยย้อนไปดูเราย้อนไปดูได้ไหมความอยากในใจของเราเราย้อนไปดูเราเห็นนะความอยากคือตัณหาเนะเราอยากอะไรข้างนอกย้อนมาดูสิใจของเราเราจะเห็นความอยากเราเห็นแล้วมันก็นดับเราได้ยินเสียงอะไรก็ตาม โอโ้เพราะแล้วกนยินดีแล้วกนย้อนมาดูที่ใจของเรานี่เราจะเห็นตัญหาในใจของเราจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอะไรก็ตามเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราย้อนมาที่ใจของเราย้อนมาแล้วจะเห็นตัญหาถ้าหากตัญหาอยู่เบื้องหลังตัญหาอยู่เบื้องหลังถ้าเราไม่ย้อนมาดูเราไม่เห็นมันมันก็ยุ่ให้เราทําสิ่งเหล่านั้นลุกลามใหญ่โตไปจนเสียหายมากมายมหาศาล แต่ถ้าเราย้อนมาดูในขณะที่เราย้อนมาเรื่อยๆย้อนมาดูเรื่อยๆนี่เป็นการปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติสามารถเป็นได้ทั้งสมถะสามารถเป็นได้ทั้งได้ทั้งวิปัสนาท่านลองย้อนมาดูย้อนมาพิจารณาลองดูนี่ตัณหาอยู่ภในหั ว, หวใจของเราเราไม่เคยย้อนมาดูมันมีจุดประสงให้เรานึกอยากรูปอยากเสียงอ ย, กกอยากกลิ่นอยากกลิ่นอยากรสอยากสารพั และเราก็ส่งจิตไปตามไม่เคยย้อนมาดูที่จิตไม่เคยย้อนมาดูที่จิตเพราะฉะนั้นมันฝังรกฝังรากอยู่ภายในจิตเพราะฉะนั้นเราตั้งตั้งใจทําจิตให้ได้รับความสงบด้วยแล้วเราจะเห็นอารมณ์เหล่านี้ได้ชัดเจนเหมือนกับปัญญาของเรามันคมเริ่มดูไปเรื่อง้าใจไปเพราะฉะนั้นลงตาท่านจึงให้ทําความสงบด้วยให้พิจารณาปัญญาด้วยพิจารณาปัญญารู้สึกว่าคมพรพิจารณาไปเรื่อย รู้สึกว่ามันทู่หมายความว่ามันหมดกําลังแล้วมันไม่ค่อยชัดตั้งอะไรแล้วก็ล้มตั้งอะไรแล้วก็ล้มก็คือว่ามันหมดกําลังแล้วให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบธรรมะนั้นเพราะความสงบมันเป็นขุมพลังทาให้จิต ด, ดวงนี้มีกําลังเป็นกําลังที่กักตุนเอาไว้เป็นกําลังที่กักตุนเอาไว้เป็นพลังกักตุนถ้าเราจะเทียบก็เหมือนแผงโซลาเซลล์นั่นแหละแผลงแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่เราต่อกระแสตรงมาใช้ก็ได้ เวลาเราต่อกันแล้วนะ่ะถ้าหากวัดพออะไรพอเราเอาเครื่องอะไรม า, มาใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้อ่าแต่ถ้าหากไม่มีแสงอาทิตย์พลังมันก็ไม่ ม, มีส่งมาแล้วแต่ตรบาบใดที่มีแสงอาทิตย์มันก็ส่งพลังมาเราก็สามารถใช้พลังนั้นได้พอหมดแสงอาทิตย์มันก็ไม่มีพลังใช้เราพิจรารณาโดยที่เราไม่มีสมาธิก็เช่นเดียวกันนะพอเราพิจรารณาไปพิจรารณาไปกิเลสก็สวมรอย พิจารณาไปพิจารณาไปสัญญาอารมณ์ก็สวมรอยเราพิจารณาเรื่องอสุภะสุภังได้เลยพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นแต่สุภะเต็มไปหมดเกิดกำนัดเกิดยินดีแทนที่เราจะเห็นสัจจะคือความจริงความจริงมันจะปรากฏไม่ได้นี่หมายความว่ากําลังภายในใจของเราไม่มีกําลังกระตุนของหัวใจของเราไม่มีท่านจึงให้มีสมาธิให้เจริญสมาธิเอาจิตมาให้ได้รับความสงบซะก่อน ถ้าเราจะเทียบกับเหมือนก็ว่าเรามีโซลาเซลล์เรามีหม้อแบตเตอรี่กลางวันมันก็ส่งพลังงานมาเก็บไว้ที่หม้อแบตเตอรี่ดวงอาทิตยห์หมดไปแล้วพลังที่มันเก็บไว้ในหม้อแบตเตอรี่เราก็ใช้ได้กลางคืนก็ใช้ได้กลางวันเราก็ใช้ได้สมมุติเราชาร์จแบตเตอรี่เราชาร์จเต็มเนี่ยเราชาร์จเต็มเนี่ยสวันหวันเราไปใช้ได้เรามีพลังใช้ได้ แต่กำลังภายในใจของเรานะ่ะยิ่งเราสงบละเอียดดึกเข้าไปเท่าไหร่ความแหลมความคมความชัดในหัวใจของเราก็ยิ่งละเอียดมากเท่านั้นไม่ใช่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่มีอนุภาพกันมีอนุภาพอ่ามีฤทธิ์มีเดชมีอภตญยามีอะไรสไลน์แปลกประหลาดเสียกไปอย่างนั้นด้วยอานกสงค์ของการทําใจใเร้รับความสงบเพราะฉะนั้นเกื้อกูลมากศินเกื้อกูลกับสมาธิสมาธิาธเกื้อกูลกับปัญญาเราใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อ จะให้รู้ให้เห็นหลักหลักของตัณหาที่มีอยู่ในหวัวใจของเรากามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราไม่เคยย้อนมาดูในหัวใจของเราเลยเพราะฉนะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเรียราศาสตร์กระจายมาทางกิริยากายกายกรรมนะมาทางกิริยาวายาวาจีกรรมไม่สารมาที่กายที่วา ย, ยานึนกรุงคิดใจอยู่ในหวัวใจของเราเนี่ย Hmm. ตัญหามันแทกอยู ja ่ในหัวใจของเราเนื claro ้อพูนวายนึกอเดือดดาเนื้อไปนึกมานึกมานึกไปเดี๋ยวก็สนองตอบให้มันนึกมานึกไปนึกไปนี่มดสนองตอบให้มันเนี่ยเพราะฉะนะออกความสงบนี่แหละพิจารณาเพื่อเห็นตัญหาไปในหัวใจของเราหัดพิจารณานี่แหละพิจารณาเพราะตัญหานี่เองมันพาให้ยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราการที่เราถือกันนั่นแหละก็เพราะว่า เราถืออัตตาตัวตนหรือถือว่าเป็นอัตตาถือว่าเป็นตัวเป็นตนพอเราถือเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาทีไรเมื่อไหรทิฏฐิมานะมันโผล่ขึ้นมาที น, ท น, า น, kommen, น, าทนั้นเมื่อนั้นคำว่าทิฏฐิมานะก็คือสำคัญมั่นหมายอย่างที่เรานึ้อย่างที่เราคิดควรจะเอาตามเราควรจะทําตามเราเอาอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละผิดถูกไม่ไม่รู้แหละว่าจะของคิดได้ไหรือว่าจะของคิดดีเท่านั้นแหละที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิมานะไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลของใคร บางทีก็ทิบางทีก็มีเหตุผลอยู่แต่ก็ไม่สมเหตุไม่สมผลอาจจะเป็นเหตุผลของกิเลส ก, ก็ได้แต่เหตุผลของธรรมต้องพูดตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมท่านจะมีเหตุผลซึ่งเป็นเหตุสงบระงับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในหัวใจของตัวเองของคนอื่นอย่างแท้จริงนี่คือการที่พิจารณาให้เกิดเหตุให้เกิดผล <c oughs> นี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงว่า พลังศีลหนุนสมาธิพลังสมาธิหนุนปัญญาเราก็หัดพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละเพื่อทําลายอัตตาเพื่อทําลายตัวตนเพื่อทำลายพิจารณาอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยหัดพิจารณานี่แหละหัดพิจารณาธาตุหัดพิจารณาขันพิจารณาดินพิจารณาน้ําดินน้ําลมไฟพิจารณาอาการ32สองนี่แหละท่านให้ไล่หัดไล่ไปตราบใดที่มันยังไม่เกาะเราก็หัดพิจารณาไปหัดหัดไล่ไปไล่ไปพิจารณาพรม อย่างพระอุปชายะท่านก็ให้พ no ิจารณาผมขนเล็บฟันหนังและพิจารณาย้อนไปพิจารณาย้อนมาพิจารณาย้อนไปพิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นผมไม่ใช่เราเป็นพิจารณาสักแต่ว่าเป็นขนขนสักแต่ว่าเป็นขนเล็บเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไม่มีเราเข้าไปไปเป็นเล็บไปเป็นฟันไปเป็นหนังท่านให้ดูให้เห็นสักเท่ว่าเป็นธาตุให้เห็นสักเท่ว่าเป็นขัน พิจารณาไปจนเห็นจนเกิดปัญญาเกิดปัญญายานสามารถทําลายอัตตาตัวตนขั้นหนึ่งระดับหนึ่งที่ฉันเรียกว่าทําลายสักกายทิฐิสําคัญมันหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นตัวตนของเราได้ทําลายเบาบางขนาดนี้มันก็เป็นเหตุทําลายทิฏฐิมาณนะขั้นหนึ่งระดับหนึ่งทําให้เราเข้าถึงกระแสของธรรมได้ด ก็ทำให้ให้ให้เราประสบความสุขความเจริญยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลผลอันิสงส์จากการที่เราเข้าถึงธรรมขั้นนี้ระดับนี้แค่นี้ท่านบอกว่ามีความสุขมีอันิสงส์มากมายมหาศาลยิ่งกว่าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิกระพัดไม่ถึงหนึ่งนใน1ิไม่ถึงเสี่ยวเดียวเซี่ยวหนึ่งในร้อยของการเข้าถึงธรรมเพราะการเข้าถึงธรรม เหล่านี้จะทําให้จิตของเรานี่ไหลเข้าไปเรื่อยๆไหลเข้าไปเรื่อยๆเลี ย, ลเเยลงเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆจนสามารถถอดถอนอัตตาตัวตนได้บนจุดโดยสิ้นเชิงนี่สิ่งเหล่านี้เกื้อกูลกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากได้ธรรมะขั้นไหนอยากได้ธรรมะขั้นมากขั้นผลนท่านจะต้องวางรับวางรกวางรากไว้อย่างนี้แล้วขยับไปอย่างนี้เดินไปอย่างนี้เดินไปอย่างอื่นเดินไปเช่นอื่นเดินไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจงปฏิเสธหมด กามาสุขาลิการนโยคท่านปฏิเสธการมาสุขาลิการนโยคคือประกอบต้นพวพันในกามท่านเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไฟแต่ว่าต้องการไฟต้องการเอาไม้มาสีกันให้เกิดไฟเอาไม้สดชุ่มด้วยยางและยังแช่อยู่ในน้ำมาสีกันให้เกิดไฟย่อมเหน็ดนื่อยเปล่าท่านว่าเหน็เนืเ่อยเปล่าเหน็ดเหนื่อยเปล่า กามาสุขาริการโยกก็คืออนุโลมผ่อนผันกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกามเรายิ่งอนุโลมผ่อนผันไปเท่าไรอก็เหมือนก่าเรายิ่งเอาไม้สดอยู่แล้วชุ่มแช่ด้วยยางอยู่แล้วเอาไปแช่ในน้ําอีกแล้วเอาไปเสียเกิดไฟไฟกับน้ํามันเป็นปฏิปักษ์กันเมื่อไหร่ไฟจะเกิดขึ้นมันไม่เกิดหรอกแต่เราไม่ปฏิเสธวิบากกรรมนะเราไปทำมากทาน้อยขนาดไหนวิบากกรรมก็ต้องมีอื หมายความว่าบรุษคนนั้นการมาสุขันหรการโยกอัตติลรัมมันทานนโยกก็เหมือนกันทำไม่ถูกทั้งสองทางนีง่แหละอันหนึ่งอันหนึ่งพัวพันในกรรมอันหนึ่งทำให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยเปล่าทำยังไงธรรมะถึงจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราทำไม่ถูกทางพุทธิย้าท่านกิงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาเปิดทางเส้นใหม่ให้กับเราสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปโ สัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชิโอสามอย่างนี้เป็นเรื่องของศีลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปรนี่เป็นเรื่องของปัญญาก็เหมือนอย่างพวกเราเห็นผลเห็นอนิสงของการบุญการทานเราก็ละบ้านละช่องมาทาพัดสวดมนต์มาฟังธรรมะแล้วก็มาทำใจให้ได้รบความสงบโดยเฉพาะเรามีวัดเป็นบุญยสถานมาประกอบกองการกุศล รักษาสิลตั้งใจประพฤติธรรมั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อเอากายออกจากกามบ้างเพื่อจะเอาจิตออกจากกามบ้างหมายคว่าว่าผู้ที่เขาเอากายออกจากกามเอาจิตออกจากกามถ้าจะเทียบก็เหมือนกัาบุรุษต้องการไฟเหมือนกับบุรุษต้องการไฟเอาไม้แห้งเอามาสีกันให้เกิดไฟสีสีการเสียดสีนั่นก็ทำให้เกิดความร้อนสีไปสีไปสีไปสีไปแล้วก็หยุด สีไปชี้ไปชี้ไปแล้วก็หยุดไฟที่จะ ก, ก่อตัวเป็นเปลวขึ้นมามันก่อไม่ได้เพราะเราไปหยุดซะก่อนอเราไปหยุดเสซะก่อนนี่หมายความว่ า, วามีการออกจา ก, กรามมีจิตออกจั ก, กรามเราทำความภาคความเ พ, พ, พียรเราทําไม่ต่อเนื่องเราทําไม่ถึงผลของธรรมะละเอียดลึกถึงขั้นเห็นสัจธรรมอย่างแท้จริงเราก็เห็นไม่ได้เราเห็นไม่ได้เราถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างใจปฏิบัติจนจนได้อัดได้ทำ เรียสมือนบุคคลเอาไม้แห้งอเอามาสีกันให้เกิดไฟสีเข้าไปเรื่อยหนักหน้าเข้าไปเรื่อยหนักหน้าเข้าไปเรื่อยหนักหน้าเข้าไปเรื่อยจนเป็นขมเหลาดำดำจนเป็นจนมีควันจนมีขมเหลาดำดำจนมีฐานดำดำจนมีฐานแดงแดงเอาปากเป่าพุขึ้นมาเป็นไฟเอาที่ฝุ่นที่ ฟ, ฟอยใส่ก็ได้ไฟใช้ดีไม้ไม้ความว่ า, วา อัตติรมัฏฐานนโยกับการมาสุภลิบการนโยคคือทําไม่ถูกทางแบบนั้นเถอะแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีมีความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะดําริชอบคือดําริออกจากการมนี่เองสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวะอันนี้เป็นเรื่องของศีลสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นเรื่องของสมาธิอันนี้เป็นหลัก เป็นหลักที่เป็นหลักและก็เป็นเกณฑ์ที่เราเดินตามนี้ปฏิบัติตามนี้ทําให้เราไปจากมั่งเบื้องต่ำไปสู่มั่งเบื้องสูงได้โดยลําดับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายาการตั้งแย่รักษาศีนั้นจะเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานได้เป็นอย่างดีเราไม่ได้ไม่ได้คิดมากคิดละเอียดคิดลึกถึงขนาดนั้นก็ตามการตั้งแยรักษาศีนั้นทําให้เร า, าถึงสุคติได้ ทำให้เรารักษาโภคะของเราไดา้และก็ทำให้เราระงับดับความทุกข์เป็นการเป็นคราวได้ถึงแม้ว่าเราจะบริโภคกามก็เหมือนกับว่าเราใช้ไฟอยู่แต่ว่าไฟของเราอยู่ในเตามันได้ประโยชน์จากการหุงการต้มการนู้นการนี้แต่ถ้าหากมันอยู่นอกเตาหมายว่าเราไม่อยู่ในศีลเราไม่อยู่ในธรรมเราก็ได้รับความเร้าร้อนได้รับความเดือดร้อนคือใจมันเดือดร้อน นอกจากนั้นแล้วก็เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมการผิดศีลห้านี่ผิดศีลด้วยแล้วก็เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมด้วยท่านต้องคิดคิดถึงเรื่องเวรเรื่องภัยเรื่องบาปเรื่องกรรมด้วยเออเรื่องเวรเรื่องภัยเรื่องบาปเรื่องกรรมนี้ถ้าเราไม่สัมรวมระมัดระวังโอกาสที่เราเป็นมนุษย์ที่จะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกยากมากๆนะเพราะฉะนั้นการอุบัติมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาได้ยินได้ฟังคําบอกคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราควรจะเพิ่ม คุณภาพเพิ่มดีกรีเพิ่มคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ให้ละเอียดให้ประณีตขึ้นไปโดยลาดับนะ <c oughs> วันนี้พวกเรามารวมกันถือว่าเป็นอุดมมงคลเนี่ยลืมหลักต้นต่อของงานแล้วอ า, อาจารย์เตี้ยท่านประรักรำบุญถึงครูบาอาจารย์พระอุปชาอาจารย์และผู้ที่เป็นอาจารย์ประจำวัดนี้เป็นเจ้าวาดองค์กร หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อยันทาหลวงพ่อยันทานี่เราก็ทราบว่าอายุพรรษาท่านทั้งสี่สิบกว่านะอ่าแล้วก็ท่านมามรณภาพที่นี่ใช่ไหมท่านมรณภาพที่นี่แล้วก็ดูเหมือนจะทําบุญครอบรอบทุกปีมั้งทำบุญครอบรอบทุกปีอ่าถ้ายันเตีย้ยไม่บอกไปเราก็ไม่รู้จักเราก็ผ่านมาตรงนี้เราก็เพาะปลาโอ้ทําดุกทำดุกแล้วไม่เคยเข้ามาอ่าวันนี้เห็นยันเตีย้ยบอกไปเห็นว่าเออมีโอกาส มีโอกาสมีเวลาอยู่ก็เลยหาโอกาสมาร่วมงานแล้วก็พูดคุยธรรมะพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังพอได้เกล็ดได้ข้อปฏิบัติเล็กเล็กน้อยๆเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการตั้งใจรักษาศีลการตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมสมะถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานอันเป็นเรื่องงานของใจมันเป็นการสร้างมันเป็นการเพิ่มบุญญาบารมีขอให้ตั้งของตั้งใจทใําไปเถอะ ตั้งใจอย่างยิ่งยวดไว้เถอะถึงแม้ว่าเราจะไปในช่วงนี้ยังไม่ได้ด้วยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจแต่ละพบแต่ละชาติที่เราเกิดมาได้ประสบพบเห็นด้วยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลให้ทานยิ่งรักษาศีลยิ่งและก็ตั้งใจมีวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญกรรมฐานอย่างยิ่งเราไปยังไม่ได้เราสอบยังไม่ผ่านเรามีโอกาสที่จะพบพระศิยารยะเมตไตร แต่ถ้าหาท่านหวังเฉยๆท่านไม่ลองไม่มีคุณสมบัติอะไรติดเนื้อติดตัวเลยท่านไม่มีโอกาสพบดอกศา ส, สนาของพระสิยาริยะเมตรไตรเพราะฉะนั้นเราต้องรีบสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่โอกาสนี้เป็นต้นไปถ้าพอจะทีตัวไปพ้นในอัตภาพนี้ในศาสนาของพระพระโคดมนี้อย่างน้อยก็ได้พระอริยะบุคคลเบื้องต่ําก็จะทําให้เราไม่เลื่อนนานถึงขนาดนั้น เราก็จะพ้นทุกพ้นโทษในวัฏสงสารไปได้เรามารำพึงรำพันดูเวลาเราประสบพบความทุกในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันน่าเขยดนน่าลาบขนาดไหนเพียงใดเรื่องความทุกข์เนี่ยทุกยากทุกยนทุกเจ็บทุกป่วยทุกเกิดทุกแก่ทุกตายเนี่ยแต่ตัวเรียนก็ทุกแก่ทุกเจ็บแล้วก็ทุกจะตายนอกจากนั้นแล้วเราก็มีญาติเราก็มีพ่อมีแม่ มีญาติมีผัวมีเมียมีลูกเราไม่แก่ไม่ไม่เจ็บไม่ตายก็ผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรารู้ความทุกข์ความลําบากความเป็นภาระที่มันเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราจะต้องมาผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เราหน่าเข็ดลาบขนาดไหนกระนั้นให้เราใช้ปัญญาพิจารณาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพิจารณาเรื่องเหล่านี้บ้างจะทําให้เราเข็ดจะทําให้เราหลาบ และจะทําให้เราหาโอกาสหาเวลามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติทําเพื่อให้จิตของเราหนึ่งขยับละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปละเอยดขึ้นไ ป, เ, นไปเพื่อพน้พนทุกพ้นโทษในวัฏสงสารท่านทั้ ง, ง, งหลายตั้งใจมาบําเพ็ญกุศลในครั้งนี้มีผลมีอานิสงส์ตามที่พรรถนา ม, มาขอผลอานิสงส์ส่วนนี้อํานวยอวยใจให้พรกับท่านทั้งหลาย <c oughs> ได้ประสบความสุขความเจริญตาม ความตั้งอกตั้งใจตามภาวะตานตามอัตภาพภูมิจิตภูมิธรรมแห่งท่านแต่ละคนแต่ละท่านโดยทั่วหน้ากันเออเอาแค่นี้พออาหัยพริจชิตตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสัมมิจตุกสเพปูเรนตุกสังกปาจันโทปนระโสยธรรมนิโช ติระโสยถาสัพพีตโยวิวัตชันตุสัพโรโควลมิณตุมาเตผวัตวะวันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขขังพลังภวะตุกสัพพมังคลังระขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาภาเวนะสตาโสถีผวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังระขันตุสั พ, พเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสถีภาวันตุเตภวัตุสัพพมังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสตาโสถีภาวันตุเต